ถึงได้เราก็ได้อัดได้ทำเลยเป็นพระโสดาบันตายก่อนก่ลดภพชาติเหลือหกชาติเจ็ชาติหกชาติเจ็ชาติครับวัตฏสงสารไม่มีจุดจบนี่อันไหนมันแน่นอนไม่มีจุดจบเกิดบ่อยเกิดบ่อยตายบ่อยเกิดบ่อยตายบ่อยเกิดบ่อยทุกบ่อยเกิดบ่อยตายบ่อยวัตสงสารไม่มีจุดจบเหมือนวงกลมไม่มีที่ที่ขึ้นที่ลง เป็นวงเดียวไม่มีจุดจบวัฏฏะสองสารไม่มีจุดจบแต่ผู้ที่เข้าไปตัวงวัฏฏะสองสารได้บ้างแล้วท่านมีจุดจบบอกได้พรุทธเจ้าท่านทรงพยากรเอกพีชีโกลังโกละสัตตกขัดตตกัดตุปรามะเนี่ยปโซดบันประเภทเอกพีชีประเภทบรรุภารันในอัตภาพนี้ หรือประเภทไปเกิดอีกอัตภาพหนึ่งไดเป็นพระอระหันต์ประเภทสองปีใต้สองชาติสมชาติไปเกิดอีกสองชาติสามชาติโกลังโกละประเภท3สัมสัตตะสัตตะขัตตุประมะไปเกิดอีกอย่างชาติสุดเจชาติไดเป็นพระอระหันต์นี่เราได้ยินได้ฟังเราก็พูดเพื่อเป็นกําลังใจให้รู้กรอบรู้แนวรู้แถว แล้วเราก็ทำตามนั้นทำไปตามนั้นพระศาสนาตั้งอยู่ได้ก็เพราะพระศาสนานี้วิเศษศักดิ์สิทธิ์มีศีลมีทานมีศีลมีภาวนาแล้วก็มีงานทมคืองานกรรมฐานผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาไม่ใช่นั่งนึกนอนนึกนั่งคิดเดินคิดแล้วให้สำเร็จผลไม่สำเร็จ สำเร็จด้วยการทําอย่างเดียวเหมือนอาหารเราไปหาเครื่องปรุงมาเต็มไปหมดเราไม่ปรุงไม่เข้าหม้อไม่อะไรไม่ต้มไม่อะไรให้สุกไม่เสร็จกินไม่ได้โฉชะไม่มีการที่เราไปทําจนได้รับรับผลนั่นแหละพิเศษวิโสที่ใจพวกเราฟังดูแล้วก็ดูมันเหลือบา ก, กว่าแรงแท้จริงไม่เหลือบา ก, กว่าแรงเราสามารถทําได้ ตั้งความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาแล้วก็ทําไปทําไปทําไปให้ทานกับทาให้โดยเลื่อมใสศรัท ธ, ธาทานก็ตะล่อมเข้ามารักษาศีลก็รักษาด้วยเลื่อมใสศรัท ธ, ธาศีลก็ตะล่อมเข้ามาศีลมันเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตให้เราให้เราอยู่ในวงจํากัดเราออกนอกลูก่นอกทางไม่ได้เมื่อออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ก็อยู่ในวงจํากัดแล้เมื่ออยู่ในวงจํากัดล้มตาทําว่าเหมือนกับ ร, ũ, ร ũ ั้วรั้วสองฝากทางเนี่ย ตอนให้เราไปตามรั้วนั้นไม่ให้เราออกนอกทางไปเรื่อยไไปเ ร, ไ ป, เรไปถึงจนได้แต่ถ้าออกนอกทางเนี่ยถึงถึงไม่ได้ออกนอกทางคือออกนอกศีลนอกธรรมถึงไม่ได้คนเราทุกคนนั่นแหะก่อนจะเลื่มใสศรัทธาเนะี่ยมันต้องรู้อะไรบ้างเหมือนเหมือนกับโฆษณายานั่นแหละอันนี้มีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ คนนี้อันนี้มีสปปรรพคุณอันนี้มีสปปรรพคุณนี้เราเออใช่มันถูกกับโรคของเราเอ่ยเมื่อเราไม่รู้อะไรบ้างเราไม่รู้สปปรรพคุณอะไรเลยเราก็ไปซื้อมาใช้สอยได้ยังไงศรัทธาจึงเป็นสะพานเชื่อมไอ้พวกนักบวชนอกศาสนาเอยพวกนอกศาสนาพวกเดรธัธีพวกอะไรที่มันตกค้างอยู่ในโลกเนี่ยเพราะเขาขาดศรัทธาไม่งั้นพุทธเจ้าค้นไปหมดแล้วแหะ สมัยพุทธกาลท่านพานิพานเข้าสูนนิพานหมดแล้วแต่ท่านไม่มีศรัทธาแต่มิจฉาทิฐิเห็นผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดไม่มีศรัทธาพวกไม่มีศรัทธานั่นแหละท่านเรียกว่าพวกปะทะประมะเทศสอนเท่าไหร่ก็เปลืองเขาเรียกเปลืองบทเปลืองบทเปลืองบทอย่างยิ่งเป็นผููนะ บอกเท่าไรก็ไม่เข้าใจสอนเท่าไรก็ไม่เข้าใจแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเขาไม่ไม่ฟังเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ฟังไม่ทําความเข้าใจแล้วก็ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาถูกเต่าและปลากินไปถูกลับที่ศาสนาอื่นเอาไปกินเอาไปเป็นบริษัทบริวารเหมือนกับถูกเต่าถูกปลากินใช่ไไปไม่ได้คําว่าไปไม่ได้ก็คือโผล่ไม่ได้อยู่ติดอยู่ติดคิดต้มนั่นแหละ โผล่ไปกลางน้าก็ไม่ได้โผล่ไปผิวน้ําก็ไม่ได้โผล่รุดออกจากผิวน้ําไปเพื่อที่จะรับแสงแดดบานออกมาก็ไม่ได้ศรัทธาทานเป็นบันไดไปสวรรค์ศรัทธาเป็นบันไดไปสวรรค์แท้จริงศรัทธานี่เป็นบันไดให้เราประกอบความภาคความเพียรเป็นบันไดให้เราเข้ามาสู่พระศาสนา จะทานเนี่ยไม่ใช่ว่าทานของเราก็ตามทานนอกศาสนาเราก็ตามนี่เป็นบันไดแห่งสวรรค์ดานังสักสักสักขะสักขะแปลว่าสวรรค์ดานังสักขะโสปานังทานเป็นบันไดสู่สวรรค์เราเราเป็นคนในศาสนาพูธก็ตามนอกศาสนาพูธก็ตาม เราให้ทานทานพาเราไปสวรรค์ได้แต่เรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องดึงเราเข้ามาสู่ข้อปฏิบัติเหมือนอย่างเราจะซื้ อ, อยามาใช้นั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักสปปรรพคุณบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็คงไม่ซื้อมันไม่เกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเลื่อมใส่ศรัทธาเนี่ยจะต้องได้ยินได้ฟังถึงเกิดความเลื่อมใส่ศรัทธา การได้ยินได้ฟังการบอกการสอนจึงเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับเขาโฆษณายานั่นแหละพอรู้สปปรรพคุณป้าเอออยากซื้อมาใช้พอเราได้ยินว่าพระศาสนามีความดีดีวิเศษวิโสอย่างนี้อย่างนี้เราก็เริ่มใสศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะยึดมาถือเป็นข้อปฏิบัติคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ <c oughs> ถ้าเราตรองตามเนี่ยจะทาให้เรามีความเริ่มใสศรัทธา คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ถ้าเรารู้จักคุณของท่านจะทําให้เราเลื่อมใสศรัทธาจะทําให้เรามาสู่ธรรมนี้วินัยนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เข้ามา เ, เรื่องธรรมดาการได้ยินได้ฟังจริงเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมาก เพราะคนเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิมันมีสองเห็นผิดเห็นถูกเห็นผิดกับเห็นถูกคำว่าเห็นผิดคือผิดจากหลักหรือเห็นผิดจากหลักเกณฑ์ที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีนี่เห็นผิดจากหลักความจริงนะทําชั่วไม่ไม่ได้ชั่วนี่เห็นเป็นการเห็นปฏิเสธกรรม ปฏิเสธการกระทาทําไมจึงปฏิเสธกรรมจึงปฏิเสธการกระทาได้ก็เพราะใจเนี่ยมันมันเย่ให้เรานึกคิดยังไงก็ได้กิเลสมันเย่ใจของเราให้นึก์คยังไงก็ได้คิดยังไงก็ได้คิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้คิดผิดมันสําคัญว่าดีก็ได้คิดผิดสําคัญว่าถูกก็ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิผกมืดบอดไปไม่ถึงไหน ถ้าเดินทางก็คือเดินทางผิดกับสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเช่นอย่างเราเห็นว่าไฟไฟมีความร้อนอย่างเราเห็นเปลวเทียนเออเปลวเทียนไฟมีสีมีสีเหมือนทองเอไม่เป็นไรดอกมีสีเหมือนทองน่าจับลวเกินแต่เรารู้จักมาแล้วว่าไฟนี่ร้อน ลองดูร้อนจริงหรือเปล่าเอามือแยงลงไปดูเมานั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงไม่ใช่ปลอมถ้าเรารู้ว่าเออไฟไเป็นไรนอกไฟไม่ร้อนดอกแยไปโลยน่ะสีงามๆเหมือนทองน่ะแยไปเลยนี่เขาเรียกเห็นผิดเห็นไม่ถูกตามที่มันเป็นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้เรื่องหลัก เกณฑ์ของโลกกฎเกณฑ์ของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ตามที่มันมีไม่รู้ตามที่มันเป็นเป็นมิจฉาทิฐิคนเรานี่มันแพ้กันอยู่ที่มิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฐินี่แหละพวกเราปู้ดุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฏฐิพื้นพื้ น, นข้างนอกเหมือนเดรัจฉีข้างนอกอย่างหนึง่งไอ้มิจฉาทิฐิที่เราตกเป็นเหยื่อของกิเลสอีกอย่างหนึง่ง ทุกกี่เลมันกลอมกลาวให้เราเชื่อมันทั้งหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นอย่างมันเห็นมันมันมันให้เราเห็นว่ารูปสวยรูปงามอย่างงี้รูปเที่ยงรูปยั่งยืนรูปเป็นสุขเห็นแบบนี้ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิทำไมถึงว่าเห็นว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นไม่ตรงตามที่มันเป็นแท้จริงร่างกายไม่เที่ยงไม่คงทน ต้องเปลี่ยนไปร่างกายเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนไปไม่เที่ยงต้องเป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ขังก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแต่จิตนั่นน่ะจิตของใครของเราก็ตามเนี่ยพยายามไปดัดแปลงมันพยายามไปดัดแปลงให้มันเที่ยงพยายามไปดัดแปลงไม่ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไ ป, ไปให้มันคงไม่ให้มันให้มันคงที่ นั่นคือความเห็นของมิจฉาทิฐิคิดฝืนหลักความเป็นจริงไม่ตรงตามที่มันเป็นจริงเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นเห็นถูกกับเห็นผิดนั่นแหละมีสองอย่างแค่นั้นแหละเห็นถูกเห็นที่อะไรเห็นผิดเห็นที่อะไรเห็นที่เหตุเห็นที่ปัจจัยของมันเห็นเหตุปัจจัยของมันผิดเห็นเหตุปัจจัยของมันตามที่มันมีมันเป็นคือเห็นถูกเห็นตรงตามที่มันเป็น สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมทําให้เราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษาเราได้ความรู้เราได้ความเข้าใจได้ความสว่างสวัยเกิดความรู้เกิดความเข้าใ จ, warrant, จ, granted, จเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นผู้ฉลาดฉลาดในธรรมฉลาดโดยธรรมฉลาดโดยศึกษาธรรมฉลาดโดยตั้งใจปฏิบัติธรร ม, ลดด ev, ฤฤรมและฉลาดโดยมีธรรม เมื่อมีธรรมแล้วก็เป็นธรรมเลยเท่านนี่สแสดงกิริยาทางกายมาก็ด้วยเหตุที่มีธรรมร่างกายก็เลยเป็นธรรมไม่แส่งหูสแส่งตาไม่เป็นเหตุก่อเวรก่อภยัยอเป็นธรรมกายก็เป็นธรรมวาจาก็เป็นธรรมพูดออกมาก็ไม่แส่งหูสแส่งตาไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ก่อโทษก่อภยัยแล้วเราพูดเราพูดดีเราพูดถูกเราพูดตรง ตามเหตุที่มันถูกต้องดีงามเป็นความเห็นตรงก่เลสมันพาเราคิดผิดตลอดนั่นแหละมันมันมันบอกว่าร่างกายสุกนั่นแหละสุกที่ไหนน่ะลองไม่ลองลองไม่ทําอะไรไม่เอาอะไรใส่ใมันสักวันหนึ่งลองดูทุกเลือสุกอะเร่าร้อนนี่นั่นแหละไม่เอาน้ําใส่มันไม่เอาข้าวใส่มันลองดูทุกวันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ดอกทุก อันนั้นเป็นความทุกข์สภาวะที่จรรมาแต่ละวันแต่ละวันได้ความทุกข์ความทุกข์โดยหลักตรายลักษ์ของมันแท้ๆเนี่ยมันเปลี่ยนตัวของมันไปเรื่อยอั น, นั้นมันมีประจําของมันแหละแต่กิเลสมันเกณฑ์เกณฑ์ให้มันเที่ยงเกณฑ์ไม่ได้มันก็พาให้เข้าใจว่าเที่ยงอเหมือนอย่างลัทธิบางลัทธิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เที่ยง พระศาสนาพราหเนี่ยเขาบอกว่าเที่ยงพระพรมเนี่ยเที่ยงเพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าไปอยู่กับพระพรหมใครไปได้ไปอยู่กับพระพรหมนะคนนั้นจะเที่ยงเที่ยงตลอดไปนี่คือเห็นผิดเพราะฉะนั้นถึงไปไม่รอดก็ตกค้างอยู่แค่นั้นนหะแวกตรงตาขายของกิเลตออกไปไม่ได้ถูกมันห่อมล้อมไว้หมดออกไปไม่ได้ การศึกษาการได้ยินได้ฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญการได้ยินได้ฟังและน้อมนามาใครครวญพิจารณานึกคิดติตรองพิจารณาตามที่เรียกว่าจินตะจินตะนะั่นจึงเป็นเรื่องจำเป็นคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปเกิดความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึง่งตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตามนั้นเกิดปัญญาเป็นการภาวนา สุตตามยปัญญากินตามมยะปัญญาไข่เ ค, ครวนไส่ตรองดีแล้วเอามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามและได้ผลตามนั้นเป็นภาวนามยะปัญญาพระศาสนามีกรรมฐานงานที่สําเร็จได้โดยการทำเมื่ออย่างที่พูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละไม่ใช่นึกคิดเอาเดาเฉยๆแล้วก็สําเร็จไม่่มสําเร็จท่านจึงว่ากรรมฐานกรรมฐานสําเร็จได้โดยการทํา งานที่สําเร็จได้ด้วยการทำแท้จริงงานการทุกอย่างมันก็สําเร็จด้วยการทำทั้งนั้นแหละอแต่อันนี้ท่านเน้นหนักมาที่การมาดูเรื่องจริงของจริงพิจารณาอัตภาพร่างกายและกป จ, จิตใจพิจารณากิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจพิจารณาเรื่องจริงพิจารณาของจริงดูของจริงปฏิบัติตามของจริงเพื่อจะมาทําความรู้เท่าทันสิ่งที่มีจริงเป็นจริง ถ้าเราไม่รู้เป็นไงเราหลงเมื่อหลงมันอะหลงยึดหลงถือหลงหึงหลงห่วงทะนุทน้อมเวลามันเปลี่ยนแปลงไปก็ทุกในระหว่างที่ดูแลก็คัาประคองนั่นก็ทุกเวลามันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อย่างใจนี่ก็ทุกกองทุกอันนี้แหละเป็นเหมือนดินนะกองทุกเหล่านี้เป็นเหมือนดินท่านว่าเหตุ เห็ดโผล่ขึ้นมาจากดินมีดินติดขึ้นมาด้วยหัวใจจิตใจเรามีพบเรามีชาติความทุกข์ก็ติดมากับพบกับชาตินั่นแหละเพราะความทุกข์มันแทรไปทุกพบทุกภูมิภูมิหยาบมันก็แทรเข้ามาทุกตามหยาบภูมิละเอียดมันก็แท่เข้าไปทุกตามละเอียดแม้แต่พระนาคามีเป็นภูมิละเอียดเกือบแล้วใกล้จะวิมุตติหลุดเพราะนั่นแหละนะ ความทุกข์ยังแทรกเข้าไปพระพุทธเจ้าทา่างยังทรงตำหนิอยู่ท่านทรงตำหนิพบท่านเทียบว่าไม่ต่างอะไรกับคูดคูดคืออุจจาระแม้จะมีเป็นก้อนหยดเป็นก้อนเป็นหยดเล็กๆมันก็มีกลิ่นพึงรังเกียจมีสีพึงรังเกียจมีกลิ่นพึงรังเกียจท่านจึงให้พวกเราพิจารณา เรื่องพบเรื่องชาติพิจารณาเรื่องทุกข์ให้รู้จักเข็ดให้รู้จักหลาบเพื่อย่อนย่อแต่ถ้าเราอยู่ไปในโลกเราเราอยู่ไปอย่างเพลินเพลินในโลกพระก็ทรงธรรมนิจ<ม>อยู่ไปอย่างหมกอยู่ในโลกเป็นคนเขา่าหัวจิตหัวใจไม่มีสติไม่มีปัญญาหมกหมกอยู่เหมือนกบเหมือนเขียดมันหมกอยู่ตามใบไม้นั่นแหละหมกอยู่ในโลก อยู่ถ้ำกลางกองทุกก็ไม่รู้ว่าทุกทุกดิ้นจนตายก็ไม่รู้ว่าทุกอยู่ถ้ำกลางกองไฟก็ไม่รู้ว่าไฟอยู่ใกล้กองไฟก็ไม่รู้ว่าไฟและโดดเข้ากองไฟก็ไม่รู้ว่าไฟ ม, มันมืดบอดสัตว์เลอในมืดบอดขนาดนั้นถ้าขาดการศึกษาทมแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเรานั่งภาวนาไปสักหน่อยฟังเทียนลุงตาแล้วฟังภาวนาไป